ส่งกันบ้านพวกอยู่วัดส่งกันบ้านก่อนอใครใครอยู่วัดบ้างว่ า, ามาแล้วตรงนี้จิตจิตมันยังไม่ตั้งมัน่นนะดูออกไหมจิบอยู่นอกนั้นจิตไม่ตั้งมัน่นสมาธิที่สมบูรณ์ไม่เกิด จเจริญปัญญ า, ายังไม่ได้จริงงี้นถ้าแรกไว้ฝึกเรียนเรื่องจิตวิสิทขาให้แม่นทำกรรมฐานใช้อะไรพุโทโธกะอะไรนะอ๋อทำซิ อย่าอย่าทำจิตอย่างนี้ใช่จิตปกติใช้จิตที่ปกติแล้วบริกรรมไปด้วยจิตปกตินะถ้าเราเค้นจิตไปอย่างตะเคียนจิตออกนอกนึกออกไหมเออนั่นคือผิดตรงนี้แหละมันทําให้จิตไม่เข้าฐานอ่ะต่อไป สภาวะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้สภาวะ น, นั้ น, นความสงสัยเกิดรู้ความสงสัยไปก็จะเห็นว่าความสงสัยเกิดแล้วก็ดับเหมือนสภาวะทั้งหมดน่ะเมื่อได้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่าบังคับจิตแบบนี้อันนี้ตกไปข้างบังคับจิตนะเป็นอัตตะกิลมัทฐานยโยโยบังคับมากไป ตื่นเต้นส่วนตื่นเต้นไม่อยากตื่นเต้นเราเข้าไปควบคุมตรงเนี้ยที่ผิดตื่นเต้นไม่ผิดหรอกนะปล่อยให้มันทำงานไปเนี่ยตรงนี้ไม่ถูกตรงนี้ไปเข้มจิตแล้วไ่บังคับมันจิตที่ดีที่สดุดคือจิตปกติอ่ะเจดย ด, ด, ด, ด, ดีขึ้นละรู้สึกไหมนี่และจิตที่มีสมาธินะ มันเป็นคณิกะสมาธนะิเก็บแต้มไปเรื่อยๆรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปในสุดจิตส่งตัวเด่นดวงขึ้นมานะแล้วก็ไปเดินปัญญาตรงนี้เริ่มบังคับแล้วไปนะไปหัดดูต่อไม่จำเป็นนะ ฟังหลวงพ่อแล้วดูยูทูบก็ไปได้นะ้ผู้ช่วยเอาไว้ช่วยพวกที่อ่อนมากๆเลยฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเนะลยไม่เคยไปเรียนแล้วแต่ฟังหลวงพ่อรู้เรื่องนะไปเอาใครมาช่วยอีกอนะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะดูกายแล้วเป็นอะไรนะถูกแล้ว จิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้ารู้กายมันก็ไม่รู้ใจรู้ใจมันก็ไม่รู้กายถ้ารู้เรื่องราวที่คิดอารมณ์บัญญัติก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจนะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ทีละอย่างนี่เวลาเราจะดูกายเนะี่ยเราต้องฝึกจิตก่อนอย่างกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะคนเล่นชานนะ ถ้าเรามีสมาธิที่แข็งแรงพอเนี่ยเราจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึกแยกไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในขณะที่เห็นกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยจิตเราไม่ไหลเข้าไปจมอยู่ที่กายนะอย่างขนาดนี้เริ่มบังคับจิตแล้วรู้ไหม จะเปบังคับมันจิตที่ใช้เดินปัญญาคือจิตของมนุษย์ธรรมดาดีกว่าจิตเทวดาอีกจิตเทวดาเต็มไปด้วยความสุขจิตของพรมเต็มไปด้วยความสงบจิตของสัตว์นรกเต็มไปด้วยความทุกข์จิตของเปรตเต็มไปด้วยความโลภจิตมนุษย์ต่างหากที่กลับกรอบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดีกว่าจิตชนิดอื่น เมื่เราไม่ไปบังคับจิตให้เป็นจิตพลผนิ่งๆอะไรเงี้ยให้เป็จิตคนธรรมดาแล้วเราจะเห็นว่าจิตนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล า, าตาหูจมูกลิ้งกายใจกระทบอารมณ์จิตก็เปลีนะ่ยนแปลงเนี่ยถึงจะเห็นไตรลักเดินปัญญาได้จริงตอนเนี้จิตหนีไปคิดแล้วรู้ไหมเออหันเอยนะตอนที่จิตหนีไปคิดเนี่ยจิตไม่มีสมาธิแล้ว รู้รูปก็ไม่ได้รู้นามก็ไม่ได้หนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมอยากรู้ว่าอยากไปดูซีความรู้สึกอยากเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปไอ้นั้นถลำลงไปดูแล้วการดูจิตไม่ใช่เอาตาไปดูไม่ใช่ส่งจิตไปดูนะแค่รู้ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น แค่นั้นเองรู้ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นอย่างตอนนี้ใจเราตื่นเต้นรู้ไหมตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้นะไม่ต้องไปแก่เราเห็นให้จิตมันตื่นเต้นได้เองดูออกไหมเอาที่เออตีอันนี้คิดเอาต้องเห็นเอาคิดเอากรเห็นเอาไม่เหมือนกัน ดูสภาว ะ, สะแสดงใจรักซ้ำๆไปแล้วความรู้มจะเกิดขึ้นเองเราไม่คิดเอาดีที่ฝึกอยู่ใค่ได้ไปฝึกต่อดนนี่เพ่งอยู่ฮะดูอะไรนะดูใจที่มันไม่ชอบดูใจที่เป็นห่วงเขาดูใจฝึกตัวเองให้ดี เราฝึกตัวเราเองดีเรามีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นเขาถึงจะฟังเราอย่างหลวงพ่อนะตอนเป็นฆราวาสนะเราภาวนาหลวงพ่อไม่บอกใครหรอกแล้วภาวนาของเราแนละ้วญาติพี่น้องไม่รู้หรอกคนที่ทำงานก็ไม่รู้แต่เราภาวนาเราตลอดเวลา ถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเราสว่างผ่องใสรู้ตื่นเบิกบานความไม่สบายใจความหงุดหงิดใจความโมโหอะไรเนี่ยผ่านเข้ามาแวบก็สลายแล้วเขาอยู่ใกล้เขาก็เริ่มเห็นพอเขาเห็นแล้วเขาก็เริ่มถามว่าทำยังไงคราวนี้ก็เข้าทางเราเราถึงจะบอกงั้นเราไปเปลี่ยนตัวเองก่อน ปฏิบัติให้เขาดูแต่ไม่ใช่ต้องไปทำสีเรียดนะถึงเวลาก็มวยวายห้ามคนอื่นเปิดทีวีเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรย่างนี้นเขาไม่ออกด้วยสมาธิมันก็มีมากขึ้นนะจิตมันท่งสมาธิได้เยอะขึ้นก็ดีแล้วล่ะ อภิธรรมสอนนะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เรียนเรื่องเรื่องสองสมาธิคิดแต่ว่าไปนั่งสมาธิบทเรียนที่จะทาให้เราเกิดสมาธิที่ถูกต้องนะชื่อจิตตะศิขาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนเรื่องจิตตัวเองเนไม่มีทางได้สมาธิที่ดีเลยเะฉนั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไป จิตจะมีสมาธิหรือจิตจะไม่มีสมาธิรู้เอาจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตลังเลสงสัยะค่อยรู้เอาจิตหิวอารมณ์จิตเกลียดอารมณ์รู้เอา เห็นถูกแล้วนะแต่พื้นจิตเนี่ยฟุง้งซ่านเน่เต้องฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นให้มาให้ได้ก่อนความคิดเนี่ยปิดกั้นการเห็นสภาวะเพราะความคิดเป็นอารมณ์บัญญัติห็หมเเราตกไปอยู่ในอารมณ์บัญญัตเราก็ไม่เห็นอารมณ์รูปนามเพราะฉันศัตรูร้ายของการปฏิบัติคือความหลงอยู่ในโลกของความคิด อย่างทางจีนเนี่ยเขาจะมีสอนให้ตื่นขึ้นมาครูบาอาจารย์วัดป่าเขาจะสอนคําว่าพุโทโธพุโทโธเพราะผู้รู้พูทตื่นก็คือตัวจิตนั่นเองจิตนั่นแหละคือผู้รู้จิตนั่นแหละคือผู้ตื่นผู้บิกบานแล้วเราจะฝึกจนกระทั่งเราได้จิตตัวเองมาครูบาอาจารย์อย่งโลงปุมั่นสอนนะได้จิตคือได้ทำไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทนการที่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะไม่ค้นพบตัวเอง เราต้องเข้มแข็งกล้าหาญเราเคยชินากับการหาความรู้ด้วยการอ่านการฟังการคิดคือารสุดตามิยปัญญาชินตามิยปัญญาเราไม่รู้จักภาวนามิยปัญญาภาวนามิยปัญญาเนี่ยเห็นเอาไม่ใช่คิดเอานะเดี๋ยวหลังพระชันข้าวแล้วขึ้นมานะจะมาสัมภาษณ์หลวงพ่อด้ว ไม่หลวงพ่อเพิ่งเห็นตะกี้เี่สัมผัสแล้วจะเอาไปทำจริงหรือเปล่าเนี่ยที่นี่แหละคนเมืองทัตอนั้นแ่ะเมืองไทยก็มีเมืองนอกก็มีคนเมืองหนูปฏิบัติยังไงในรูปแบบ พูดโทรตอนเดินเลยไปเดินตรงนี้อืมตอนที่กลับตัวเนี่ยหลงนะอ่ะเลิกซะและ้วเหรอไปเดินอีกหนูไอการเดินจงกรมเนี่ยเราเดินให้มีสตินะ ไม่ใช่เดินบังคับใจไปเรื่อยๆเดินจุ ก, กลมให้มีสติไว้เดินก่อนจะเดินนะรู้สึกตัวระหว่างเดินรู้สึกตัวพอสุดทางแล้วหยุดละรู้สึกตัวก็หมุนตัวกลับรู้สึกตัวเดินต่อรู้สึกตัวาขาดสติเมื่อไหร่ก็หยุดหรือเราเดินไปครึ่งทางแล้วจิตมันหลงแล้วหยุดรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินอีกนะ มุ่งปฏิบัติเอาความรู้สึกตัวไม่ได้ปฏิบัติเอาเวลาใช่ไหมจะปฏิบัติเท่านั้นเท่านี้นะจะกี่รอบกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่สําคัญหรอกสำคัญคือฝึกความรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอมันขาดสติเมืาเลยรู้ทันขาดสติเรารู้ทันไปเดี่ยวตอนเนี้ยนนจิตไปคิดแล้วทราบไหมนั่นแหละดีจิตหนูตอนเนี้ยรู้สึกไหมมันตื่นมันเบิกบานขึ้นมาเนี่ยแหละจิตที่ดีนะ จิตที่ทรงสมาธิที่ดีนี่พอจิตมันรู้ตื่นเบิกบานแล้วเนี่ยเราจะเดินปัญญาละการเจริญปัญญาเนะี่ยจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้นะดูสังขารนี่คือความปรุงดีปรุงชั่วก็ได้จะดูจิต ท, ที่ทำงานอยู่ทางอริยะตะทั้งหกก็ได้อะไรก็ได้ให้มันเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นแนละแล้วแต่เราถนัดหนูเป็นคนรักสวยรักงามรู้สึกไหม การดูกายเนเหมาะแต่จะดูกายได้จิตต้องสรงสมาธิที่ถูกอย่างตอนนี้ดูสังเกตไหมร่างกายมันพะนมมืออยู่ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายพยักหน้าจิตเป็นคนรู้หนูรู้สึกไหมร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละฝึกให้เยอะๆนะ ต่อไปพอมันเห็นกายไม่ใช่เราแล้วสติปัญญาแหลมคมขึ้นมามันจะเห็นเวทนาที่แทรกอยู่ในกายนะเดี๋ยวก็ปวดตรงโน้นเดี๋ยวก็เมื่อยตรงนี้มันจะเห็นอีกเวทนานั้นก็ไม่ใช่เราพอนะจิตเราละเอียดขึ้นไปอีกเราจะเห็นเลยเพอเกิดสุขเวทนาราคะก็แทรกเกิดทุกขเวทนาโทาาสะก็แทรกเวทนาไม่ชัดเจนใจก็หลง ตัวนี้เราจะก้าวเข้ามาสู่การดูจิตตัวเองนะแล้วความรู้ไปเรื่อยๆไปแล้วจะเห็นนะสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมไม่ใช่ตัวเราเรนะาก้าวขึ้นสู่ธรร ม, มานุปัสสนาทรมาได้ดีแล้วไปทำอีกนะจิตที่ดีคือจิตธรรมดาอย่างนี้แหละแต่คนเราไม่มีจิตธรรมดามีแต่จิตที่ปนเปื้อนกิเลส ดูสังเกตไหมกิเลสกับจิตเป็นโครานกันนั่นแหละดีนั่นแหละภาวนาพื้นฐานเราดีแล้วกิเลสไม่ใช่จิตกนะิเลสเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตภาวนาได้ถูกแล้วนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยมีโอกาสก็ฟังยูทูบหลวงพ่อไป ดูสภาวะไปถือศีลห้าไว้นะทำงานหรือยังเรียนอยู่ดีมีบุญในทางธรรมะดีขณะนี้จิตมีปิติรู้สึกไหมมีปิติก็รู้อย่าให้ปิติครอบจิตเราปิติก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นนามธรรมอันหนึ่ง อย่าไปบังคับจิตอย่างนี้ครัวปิติจะครอบแล้วบังคับจิตให้แข็งแข็งขึ้นนะให้จิตปกติถูกมันครอบรู้ว่ามันครอบมันเลิกครอบแล้วรู้ว่ามันไม่ครอบแล้วฝนะึกอย่างนี้ไปนะฝึกได้ดีเชียละใช้ได้ฝึกมานานยังอเออดีหลวงพ่อฝึกเสร็จเดินหลวงปูดูนให้ผ่านแล้วนะ <c oughs> คนทีนอย่าฟุ้งซ่านนะรู้สึกตัวอย่าปล่อยใจฟุ้งซ่านไปมีสติทุกลมหายใจเข้าออกหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวไปเไรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกมีสติรู้สึกตัวทุกๆอิริยาบถนะ รู้สกไปนี่จะสัมภาษณ์หลวงพ่อการคลองตนเพื่อเข้าสู่วิถีแห่งอริยะของคนเมืองที่จริงไม่ต้องถามหลวงพ่อก็ได้นะไปฟังยูทู e หลวงพ่อสอนดูเรื่องเดียวนี้แหละหลวงพ่อมามุ่งมาที่คนเมืองตั้งแต่เริ่ม หลวงพ่อเรียนกับหลวงพุดูลสามสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพู่ดูลเคยบอกไว้ว่าต่อไปการปฏิบัติจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกงนี้เลยการปฏิบัติจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อดูมก็พอเป็นได้นะดูคนที่มีการศึกษาอนะไรเนี่ยคนในเมืองนะสนใจการปฏิบัติมากขึ้นนะแต่ท่านไม่ได้บอกแค่นี้ท่านบอกว่า ต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกงนี้เนหะลวงพ่อเชื่อว่าธรรมะการปฏิบัติจะรุ่งเรืองในเมืองแต่ไม่เชื่อว่าการดูจิตจะรุ่งเรืองเพราะยุคนั้นไม่เห็นมีใครดูจิตสักคนเลยสายหลวงพ่อพุทธทาสธรรมานาตนาสติมันก็กายหลวงพ่อเทียนขยับมือก็กายควยห็นกา เขาไปดูอาณาปณสติกนะ็เริ่มจากกายพองยุนะใส่เจ้าคุณโชดกก็กายนะพระวัดป่าพุทธโธแล้วก็พี่อนากายไปที่ไหนที่ไหนมีแต่ ก, กายเท่านั้นนะแหละกระทั่งสายอพิธรรมนะสายพิธรรมหลวงพ่อเขาไปดูเยอะเลยลูกศิษย์อาจารย์แมน่นหลายหลายที่เขาสอนไม่เหมือนกันหรอกนะตีความคำสอนของอาจารย์ ต่างๆออกไปแต่หลักใหญ่ๆนั่นก็คือรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้ยังเจือความคิดเรื่องรูปเรื่องนามอยู่หรือบางที่นะนั่งอยู่เี้ยมันปวดมันเมื่อยนะอยากขยับก็ตั้งคำถามก่อนอยากขยับทำไมต้องขยับเพราะมันจำเป็นเพราะจเป็นอยากขยับ มันยิ่งๆอยู่อย่างนั้นนานๆนะพอปวดเมื่อยขึ้นมาก็เริ่มอีกแล้วอยากขยับทำไมต้องขยับเพราะมันจําเป็นจิตเนี้ยหลงอยู่แต่ในโลกของความคิดมันไม่ตื่นนะมันพลาดบางคนก็กำหนดนะตาเห็นรูปกำหนดตรงนี้กลายเป็นสมถนะนึกว่าวิปัสสนาหลวงพ่อเห็นเขากำหนดได้สี่แบบนะที่ตากระทบรูปเนะี้ย อันหนึ่งกำหนดอยู่ที่รูปที่ตาเห็นอันที่สองกำหนดอยู่ที่จักคูภาษาอันที่สามกำหนดอยู่ที่จักคูวิญญาณนะตัวความรับรู้นะอันที่สี่กำหนดที่ตัวผัสสะลงเจตนากำหนดลงไปนะกำหนดภาษาขเขมรมาจากคว่ากดกดเอาไว้เฉยๆนั่นได้สมถะนะ นันหละหลพ่อตันหลวงปูดุลท่านบอกว่าภาวนาเป็นหลวงพ่อออกดูสำนักใหญ่ๆที่หลวงพ่อตะเวนดูแล้วว่าเขาภาวนานอย่างไงก็พบนะว่าบางแห่งครูบาอาจารย์ทําได้แล้วก็สอนลูกศิษย์ทําได้อย่างบ้านตากครูบาอาจารย์ทําได้สอนลูกศิษย์ทําได้หลวงปูดุลทําได้สอนลูกศิษย์ทําได้บางแห่งอาจารย์ทําได้ลูกศิษย์ทําไม่ได้ บางแห่งอาจารย์ก็ทําไม่ได้ลูกศิษย์ก็ทําไม่ได้เข้าไขาตาบอดจูงคนตาบอดเลยเลยหลวงพ่อก็มาดูต่อทาไมบางที่ทําได้ทําไมบางที่ทําไม่ได้พวกที่ทําได้คือพวกจิตมันส่งสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะมันจะไม่มีทางเกิดปัญญาเลยนะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีทางเกิดปัญญาเห็นะบางสำนักนะไม่ทำสมาธิเลยนะปฏิเสธการทำสมาธนะิแล้วก็ไปเจริญปัญญาเลยมันตกไปข้างคิดเอาท้งนั้นเลยนะว่าจิตมันไม่ถอนตัวเป็นคนดนะูจิตไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีของจิตจิตมีหน้าที่อะไรจิตคือสภาวธรรมที่ทำหน้าที่รู้สภาวะ จิต ท, ทำหน้าที่รู้สภาวะเพราะฉะั้นถ้าจิต ท, ทิ้งหน้าที่ของการเป็นผู้รู้ซะแล้วเนี่ยล้มเห ล, ลวละมันกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปมันเป็นจิตอกุศลไปนะงั้นตัวที่แตกหักในการปฏิบัติจริงๆก็คือเรามีสมาธิที่ถูกต้องหรือเปล่าสมาธิที่ถูกต้องเกิดจากสติที่ถูกต้องนะสติที่ถูกต้องเกิดจากความเพียรที่ถูกต้อง ความเพียรที่ถูกต้องเกิดจากศีลที่ถูกต้องศีลที่ถูกต้องเกิดจากความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องเกิดจากความเห็นที่ถูกต้องนั้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกจะทำให้สัมมาสังกัปปะความคิดจะถูกความเห็นที่ถูกคือความเห็นอยู่ในหลักของอริยสัจความคิดที่ถูก คือความคิดที่ไม่เจือด้วยกิเลสถ้าความคิดเจือด้วยราคะเนี่ยมันก็เกิดวิตกกรรมวิตกถ้าความคิดเจือด้วยโทสะเกิดพยาบาทวิตกความคิดเจือด้วยโมหะเกิดวิหิงสาวิตกพอความคิดผิดคําพูดก็ผิดดังนั้นสัมมาสังคประที่สมบูรณ์จะทำให้สัมมาวาจาสมบูรณ์ ว่าคําพูดถูกความคิดถูกคําพูดถูกความเห็นถูกมันจะหล่อเลี้ยงให้สมากกมรมปะบริบูรนณะ์การกระทําของเราจะไม่ผิดศีลนะสมาชีวะก็จะบริบูรนณะ์เมื่อม่สมามิฐิสมาสังคปะสมาวาจาสมากกรรมตะสมาชีวะมันจะทําให้สมาวายามะบริบูรณ์ นะส ม, มาวายามะจะบริบูรณ์คือเราจะรู้อะไรเป้าหมายของชีวิตเราเนี่ยนะลดละกิเลสเจริญกุศลเพรอส ม, มาวายามะบริบูรณ์แล้วเนะี่ยสมาสติจะบริบูรณ์ส ม, มาสมาธิจะบริบูรนณะ์ส ม, มาธิบริบูรณ์แล้วส ม, มาญาณนะปัญญาจะถูกต้องก็เกิดส ม, มาวิมุติขึ้นนะงั้นมันจะเดินอยู่ในสายนี้งั้นพวกเราต้องเริ่มฝึก ที่เราฟังหลวงพ่อพูดทั้งหลายเนะีเพื่อสร้างสมาธิิในเบื้องต้นมีสมาธิิในเบื้องต้นแล้วนะก็สังเกตใจตัวเองอย่าทำอะไรอย่าคิดอะไรนะด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสอยู่เบื้องหลังความคิดรู้ทันไปแล้วต่อไปจะเห็นกิเลสอยู่เบื้องหลังคำพูดกิเลสอยู่เบื้องหลังการกระทำนะแล้วต่อไปการที่เรารู้ทันกิเลสนั่นแหละสัมมาว า, ามะ รูปเนืองเนืองสติเราจะแหลมคมขึ้นเรื่อยๆรู้ได้เร็วขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้ทันสมาธิก็จะเกิดน ะ, นะค่อยๆฝึกไปไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วขึ้นมา